tante John wat een wilsdicht langlij, maar dan niet meer dan het maar in 2004, ik hoop, in 2005, toen was ik het wijnneurot, ik was gehecht aan de kippen, ik was in de kippenkelder, ik was in de kippenkelder, de kippenkelder, M dan ga aand... je naar de bank, dan hij je naar de bank, dan ga je naar de bank, dan ga je naar de bank, dan ga je de dan ga je naar de bank, dan ga je naar de bank, dan ga je naar de bank, dan de bank, dan ga je naar de bank, dan ga je เอาเลื่อยโตกตรงกลางตรงข้างๆตี 4-5 องค์ด้วย hij moest ook alvouwd en mee is Ik was ik was een dichter in de gang. Ik ben in Zinkong, ik ben in Zinkong, ik ben het Zinkong, ik ben in ik ben in Zinkong, ik ben ik ben in Zinkong, ik ben in ik ben in Zinkong, ik ben ik ben in Zinkong, ik ben in ik ben in Zinkong, ik ben ik ik het ik het ik ก็มีพระที่มีความสําคัญองค์หนึ่งที่อาจารย์ทํารันไปอยู่ที่ยอดเขาพูกระดึง 3 ปีถึงไปขึ้น ท่านอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีหม้อข้าวไม่มีอาหารทั้งหมดแล้วก็ Klonk aan de een flaar dus in mijn kwal, dan kan in mijn kwal, maar ik wil graag met mijn kwal, ik wil graag graag zo in ik เมื่อไปถึงนั่งรถจนนั่งรถ 2 แถวไปถึงที่ 20 เมตรยาวประมาณเมตรพงษ์ dat is mijn maagdad, mijn nieuwe kring, mijn apet, ja, zie je Kong, je kon, ja, je mag. Krijgen ze, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, เห็นเครื่องต่างๆเห็นโรงสีกับ 20,000 ได้มั้ยเราถามเนี่ยราคา Keei maai die kon, heb je een baan. Weer daarna kon 10.000 baat. Thans weet ik maai in de kaat goed. Die zijn een dongting lang. Wat Nongket, die zijn een dongting lang. Thans in die, die is een dongting lang. Na, van teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, teep, เขาบอกว่าถ้าหากว่า 8 นิ้วหนานิ้วครึ่งยาว 4 วา 4 บาทถ้าให้ 5 บาทคือเพิ่มเครื่องค่าของเข้าคนบาทจะขอหนังสือเพราะว่าก็มีสตางค์ก็ซื้อไว้ซื้อไว้แบบตนเองเผื่อว่าจะมี เมื่อฉันอาหารเสร็จครูยังเสร็จเวลาหลังจากเที่ยงก็นั่งรถต่อไปที่เชิงเขา Berghof, een maïken, een oplatus, een oplatus, een ton jai ma. Berghof, een oplatus, een oplatus, een een oplatus, een oplatus, een een een een een een oh gaat het? We hebben <tının> een bom. Ik heb een bom. Ik heb een bom. die heb een bom. Ik heb een bom. Ik heb Ik heb een die heb Ik heb een bom. heb Ik een bom. heb Ik heb een die heb Ik heb een bom. heb Ik heb een bom. me heb Ik heb een die heb een Ik heb een heb Ik พอขึ้นไปถึงจริงๆแล้วบ้านปราโกมมีจริงๆลูกบังคําป้อมเกลือเดินเหยียบเลยทั้งท่านเดินเหยียบไม่ใช่ที่ตีบก้าวไปเหยียบลูกน้น Langdurende administratie en verborgenheid. Nee, ik Ik de Ik ga op Ik Ik Ik Ik Ik Ik ik ben bij de klonen, ik heb een pop-up gedaan, is niet goed. Ik een pop-up gedaan, die is Ik een paar mensen die een pop-up naar de klonen Ik heb een paar mensen die zeggen, die is een pop-up gedaan, die hebben een pop-up ต่อไปก็พบซันซันที่ 2 ธรรมที่ 3 ธรรมที่ 4 ต้องเดินกัน 5 <c oughs>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 พอเขาบอกว่าถ้าทางตรงนี้ 4 กิโลเมตรเจอสระอนุดาตสระเล็กๆน้ําเต็มสระใสมากเย็นมากพวก คอมันเข้ากระดองไม่ได้มันมีหางแล้วก็จะร้องเหมือนแมวหาไปหามา ขอเธอจงโมนัสนาให้เจ้าเป็นผู้มีความปลอดภัยไม่ว่าอุดมสมบูรณ์ แกฉันลานะอยู่ให้เป็นสุขนะหลังนั้นก็ค่ําเป็นวันมาเข้าบูชาพอดีแต่ขอโทษไม่ใช่มาเข้าบูชาเป็นวันเป็นวันกลางเดือน 12 ก็พอดีเห็นพระจันทร์ใกล้ ยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนไอ้ 1 กิโลเมตรต้องเดินอย่างเก่ง 5 ชั่วโมงพวกเราไป 5 ชั่วโมงครึ่ง <c oughs> อ่ะเสียงเสียงเต่าก่อนจะไปเต่าเสียงเต่าแล้วแมวแมว ไอ้สักครู่หนึ่งแล้วก็ผมก็มีเคยเจอวันนั้นมีต้นหญ้ามันตายเหมือนเดินบ่ฟุ๊กเดินนิ่มๆมีกระต่ายตัว ถ้าทำแบบนี้จะมีภัยทําแบบนี้จะมีภัยก็มาเที่ยวกันคณะ <c oughs> คนใหญ่ได้งงาพอถึงก็หยุดถามว่าทําไมหยุดออกงูใหญ่ภาคก็ว่างูใหญ่เอาหางพันต้นไม้ตัวขนาดเสา ขออภัยด้วยเพียงท่านดีก็ปล่อยหาง พอถึงบนไปพักที่นั่นครับเค้า พอยกินข้าวที่บ้านศรีฐานได้ซื้อข้าวมา ก็เป็นอันว่าตกลงเค้าจะทําก็ไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันไปถึงว่าความไปมาของพวกผมก็ดึงแกก็เล่าภาวะต่างๆให้อาจารย์สําราญได้ทราบแล้วเล่าความไปมาของพวกผมก็ดึงว่ามีเสียงศักดิ์สิทธิ์บางทีก็ได้ยินเสียงคล้องบ้างละครั้งบ้างบางทีได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันบ้างบาง บางครั้งก็เห็นเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆบางๆบางทีเห็นแต่คนเจอก็ ik heb een mondje, wat ik nu mag, ik heb een mondje, ik heb een mondje, ik heb een mondje, ik heb een mondje, ik heb een een ให้หันไปถามเจ้าของถิ่นให้ช่างไม่ช่างบอกบ้านบ่อนี้ไม่มีครับแกก็เลยบอกว่าในช่างไม่เห็นเองบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละก็ไม่ไกล เมื่อยถาสัพพีเสร็จทั้งผู้หญิงผู้ชายโยมก่อนธรรมดาธรรมดาพะยะ คือความว่ามันหลังจากญาติโยมลาไปแล้วก็ลาเจ้าของถิ่นดีโหดดี โยมไม่ต้องไปนะผมอ่ะธรรมมาจะซื้อ Daarnaast heb ik een beetje een knopje gedaan, die hebben mij niet gehaald. Zoals ik al die hebben mij niet gehaald. Ik heb een niet Maar die kan ik is meer gehaald, die er Maar die heb het niet Ik een knopje niet เมื่อกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เล่าความเป็นมาว่าขึ้นไปข้างบนน่ะไม่รู้ว่ามีอะไร อัตตาไปนั่งดูในสถาน ik heb een beetje Ik een beetje heb een een beetje gekomen. Ik heb een beetje gekomen. Ik heb een beetje een beetje Ik heb een beetje Ik een beetje heb een beetje gekomen. Ik een beetje ให้ขึ้นไป 200 เมตรที่มีฐานกว้างบริเวณกว้างไม่สิราบเพราะมีต้นอะไรอ่ะต้นมะขามป้อมไปข้างหลังนี่มะขามป้อมสักต้นก็ไม่มีจะเป็นรอย กล้วยต้องกล้วยไม้ที่ที่มี อาทิตย์ตะวันตกมันเป็นที่ๆขึ้นมาก็มีผาชัดค่อยๆ1 วันนี่เดินไม่ มีเช่นเสือช่างเวลานี้ช้างก็ ท่านไปอยู่ที่เชิง ถึงก็บอกว่าโยมไปก่อนเถอะเวลานี้อาตมากําลังวินธบัดอยู่ถ้า โยก็ออกออกรถมาอําเภอหล่ม มีพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติเวลานี้ยังมีอยู่ ยังไม่ทราบอยู่ที่ไหนเหมือนกันเพราะอะไรมั้ยเพราะท่านไม่ยอมให้บอกถ้าไปบอกธรรมดาธรรมดา ก็เป็นว่าก็บอกนี้ต้องไปหรือเวลาประมาณ 4 นาทีก็คุยกันว่าความจริงบรรพูก็ดึงทําไมจึงมีคนคนนี้ไม่ปรากฏตัวมีคน hij met niet dat we elkaar zagen. We waren niet bankang in de buurt. We waren een meer in de buurt. We waren niet meer in de buurt. We waren niet meer in de We waren niet meer in de buurt. We waren niet meer in en buurt. niet in de buurt. We waren een paar in in niet ik wil dat in mijn band helemaal geen plakken meer kunnen. Heng kon toch? Heng kon je plakken? Heng kon je plakken? Heng kon je plakken? Heng kon kon je plakken? Heng kon je plakken? Heng kon je plakken? Heng kon je plakken? Heng kon je ik je je in wilt, carитай, familoot, dus jaar jaar de buurt van mijn eigen huis, mijn eigen huis, mijn eigen huis, een munt nodig. Ik นอกจากนั้นพระที่มีความดีขนาดนั้น 5 5 ชั่วโมง นี่มีบางคราวเคยถาม 5 ชั่วโมงครึ่งถ้าเดินจาก ก็เลยเที่ยงท่านไม่ยอมรับประจานโหนเดียวก็ต้องไปกับท่านแต่ตอนดึกเรื่องความว่าอาจารย์สํารันท่านกินอะไรท่านอยู่ทะอย่าง แล้วพระที่ว่าเดินรู้จากทาง 30 นาทีก็ 30 นาทีนะ 30 วินาทีนะ